ในโลกนี้นะมีสปปรรพสิ่งเป็นล้านๆอย่างก็ว่าได้นะนี่เฉพาะรูปธรรมนะท่า น, ะ า, นามธรรมนี้ก็นำไม่ทวนแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆก็มีแค่สามนะหนึ่งของที่เราชอบสองของที่เราเฉยๆและสามของที่เราไม่ชอบทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เนะี่ยเอาความจริงกมีแค่สามหรือว่าอาจจะยอ่อเหลือสองนะคือของที่เราชอบกับของที่เราไม่ชอบไอ้ของที่เราไม่ชอบนี่เราก็ไม่ค่อยอยากแตกต้องเท่าไหร่ ไม่อยากเกี่ยวข้องนะไอ้ของที่ชอบเนี่ยเรา <c oughs> อยากจะเข้าหาอยากจะมีอยากจะเสพอยากจะเข้าใกล้เพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ถ้าพิจารณา ด, ดูดีนะไอ้ความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นเพราะของที่ไม่ชอบนี่แหละปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบ่อยครั้งนะก็เกิดเพราะของชอบไอ้ของไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยสร้างปัญหากับเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยอยากแตกต้อง คนหลายคนชอบบุหรี่นะชอบเหล้าชอบกาแฟและสุดท้ายก็ป่วยหรือว่าล้มตายก็เพราะบุหรี่เพราะเหล้าหรือว่าเจ็บป่วยก็เพราะเนี่ยกาแฟหลายคนก็ชอบนะการพ น, นันชอบเที่ยวกลางคืนสุดท้ายชีวิตก็เรียกว่าย่ำแยหรือหายนะไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยจะทําให้เราเกิดปัญหาเท่าไหร่นะเพราะเราหนีห่างมันอยู่แล้ว ที่พูดเมื่อกี้นี่พูดถึงสิ่งเสพติดนะแต่ถึงแม้ไม่ใช่สิ่งเสพติดนะหรืออบายามุขเนี่ยดมูมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผู้คนก็ยังเป็นทุกข์ก็เพราะของที่ชอบนะอย่างเช่นอาหารเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะของชอบนะกินน้ําตาลเยอะชอบกินเนื้อนะชอบกินของหวานพอกินเยอะๆเข้าเป็นไง ก็เกิดโรคชาวบ้านบางคนจํานวนมากเนี่ยในอีสานเป็นโรคพยาธิเป็นโรคมะเร็งในตับพ่ออะไรนะก็เพราะของชอบนะชอบอะไรชอบปลาดิบนะชอบกินของดิบนะในนั้นก็มีพยาธิใบไม้ในตับเสร็จ แ, แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ตายตายเพราะของชอบคนที่เป็นเก้าเป็นพ่ออะไรนะเพราะของชอบใช่ไหม พวกกินชอบกินเครื่องในชอบกินปีกไก่เป็นต้นลองดูดีดนะคนทุกวันเนี่ยป่วยเนี่ยหรือว่าเจอความทุกข์เนี่ยก็ล้รนแต่เพราะของชอบบางคนชอบกินของทอดบางคนชอบกินของเค็มนะบางคนชอบกินของหวานสุดท้ายก็เก็บป่วยแล้วก็ล้มตายเนเวลาเราไปตักอาหารเนี่ยพิถึงเบาให้พิจารณ า, าหารเนี่ยหลายคนพิจารณาก็พิจารณาคือ เลือกกินของชอบนะอาหารที่เราไม่ชอบไม่เคยทําอะไรเราเลยนะอาหารที่เราชอบที่เราไม่ชอบเนี่ยมันไม่เคยทํำร้ายเราเลยออาหารที่มันทำร้ายเราคืออาหารที่เราชอบทั้งนั้นแหละเพราะพอเราชอบแล้วกินเยอะนะพอกินเยอะเข้าเนี่ย <S <S ก็เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ําตาล ไ, ไม่เป็นไขมันไม่เป็นเกลือนะที่มันมาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารมันก็มันสะดวกมากขึ้นนะ ของชอบเนี่ยก็เราเข้าถึงได้ง่ายหรือว่ามันมาหาเราได้ง่ายขึ้นทนี่ที่แต่ก่อนเนี่ยนะของชอบหรืออาหารที่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยมาหรอกแต่เดือนนี้เนี่ยมันมาง่ายมากนะเพราะว่ารถก็มาสะดวกนะการคมนาคมหรือเศรษฐกิจของคนก็ดีถ้ลองพิจารณาดูนะคนเราเนี่ยทุกเพาะของที่ชอบเนี่ยมากไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้า หรือว่ารถจนเพราะชอบไงอยากได้ก็เลยต้องเหนื่อยนะเหนื่อยอาการที่จะต้องไปดิ้นรนหามันมาแค่อยากแล้วยังไม่ได้นี่ก็ทุกข์ละไอเสื้อผ้าที่เราไม่ชอบนี่ที่เราเห็นตามร้านมันไม่เคยทําให้เราทุกข์เลยเพราะเราไม่สนไง น, นะแต่ของตามห้างเนี่ยที่เราชอบเนี่ยแต่ตาเรามาแล้วเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ทันทีเลยพราะอยากได้ หรือไม่ก็ต้องขนควายไปหามาจริงจะเป็นของประเภทระดับ i p h o n เนี่ย 7S เนี่ยนะทำให้ทุกไมกนะต้องไปเข้าคิวเข้าแถวตั้งแต่เที่ยงคืนนะอยู่หน้าร้านเพื่อจะได้ซื้อทันทีที่ร้านเปิดนะในวันที่แรกจำหน่า ย, ยก็เหนื่อยนะไอโทรศัพท์ไอโทรศัพท์ที่เราไม่ชอบเนี่ย มันไม่เคยทาให้เราเหนื่อยเลยไม่เคยทาให้เราทุกข์เลยนะอันนี้ลองดูไปจนนะของที่เราไม่ชอบนี่มันสร้างความทุกขกับเราเยอะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้บางคนชอบนะชอบเกมติดเกมเล่นเกมทั้งวันมีชาวเกาหลีคนนึงนะเล่นเกมทั้งวันอาจจะเรียกว่าทั้งวันก็ไม่ใช่นะเพราะต้องทำงานตื่นเช้าก็มาเล่นทํางานเสร็จก็ก็เล่นนี่ตอนหลังก็ อดใจไม่ได้นะเล่นมันแม้กระทั่งในเวลาทางานหรือบางทีก็ไปทำงานสายสุดท้ายถูกไล่ออกถูกไล่ออกเพราะติดเกมนะแค่นี้ก็แย่พอแล้วนะแทนที่จะเสียใจหรือสำนึกนะกลับดีใจว่าต่อไปนี้จะได้เล่นเกมหนักขึ้นจะได้เล่นของที่ชอบก็เลยเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเขานี้ไม่ต้องทำงานแล้วเนะี่ยบอกว่าแกเล่น36ชั่วโมงนอนสต็อปเลยนะเล่นจนตายนะ ไม่รู้ว่าช็อกตายหรือว่าหัวใจวายตายนะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับเลยกินก็แทบจะไม่กินก็นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเล่นเล่นเล่นสามสีบกชั่วโมงอันนีนะ้ตายเพราะของชอบนะไม่ใช่ตายเพราะของไม่ชอบเราต้องระวังนะนะเพราะว่าของที่เราชอบนี่เรามักจะติดมันได้ง่ายแล้วก็ประมาทด้วยนะ อาหารนี่เป็นตัวอย่างนึงนะ่งที่ว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายก็เพราะของที่ชอบนั่นแหละไม่ใช่เพราะอาหารที่ไม่ชอบเลยเพราะว่าอย่างที่เราก็คงสังเกตได้อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่แตะนะเมื่อไม่แตะมันก็ไม่ทําอะไรเราไอ้ที่ชอบนั่นแหละนะเราก็แตะต้องเสพกินหามาแม้จนทั้งป่วยแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ยังเรียกขอกินนะข้าวเหนียวทุเรียน ขอกินในติมขอกินช็อกโกแลตหรือว่าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็ยังขอกินข้าวขาวหมูอันเนี้ยเวลาเวลาจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะก็ยังก็ยังเลิกมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากลายเป็นติดไปซะและ้วสุดท้ายก็กลายเป็นท่ายของมั น, นสิ่งที่เราชอบเพราะเราเชื่อมันให้ความสุขกับเราแต่สุดท้ายมันทําความทุกยกับเราเนี่ยอย่างที่เรียกว่า ไม่คาดคิดเลยแต่คนก็ไม่่อยตระหนักนะก็ยังเรียกหาของชอบนั่นแหละจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันเมียมนา่นเหนือเราเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเวลาเราลองสำรวจตัวเรานะว่าอะไรที่เราชอบบ้างแล้วก็เราปล่อยให้มันมาครอบครองใจเรามากน้อยแค่ไหนนะในเวลาไปตักอาหารเนี่ยถึงใช้ว่าพิจารณาอาหารนะไม่ใช่พิจารณาเลือกกินของที่ชอบนะ แต่ให้เราเระลึกว่าเรากินเพื่ออะไรนะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะของชอบเนี่ยก็ต้องพอประมาณนะต้องรู้จักพอประมาณแต่มันท้ามใจได้ยากนะเพราะมันชอบเจอแล้วเนี่ยนะเพราะชอบเสจอแล้วนี่มันก็ยิ่งได้มากยิ่งดีและสุดท้ายก็กลายเป็นโทษกับเราแล้วสุดท้ายเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยอย่าไปกังวลกับมันมากกังวลหรือว่าระมัดระวังของที่ชอบเนี่ยจะดีกว่าเอารักก็เตรียมรับพร อิสิตังปฏิตังตุมพังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคว่าเมวาสมิชตุจงสาเร็จโดยชาพรชาเพผูเรนตุสังกปาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยัทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโซยัทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรดี สาพิทยาวิวาชนตุวานจารายทั้งพวงจงบำราบไปสาพรโรคโควินาสตุโรทั้งพวงของท่านจงหายมาเจภพวัตวันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านที่คอยอยู่กเพราวา่าท่านดงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาธนาสีเลสนีจางวุทาปัญิโน ชตาโรธรร ม, มาวันธานในอายุวันโนสุขังพละดามสี่ปราการคืออายุวันนาสุขะพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสปาวันตุสาพมังคลังกอสาพโมงคลจงมีแก่ท่านตุสาพพเท ว, วตาอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพาภพูธานุภาเวนา้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรมมานุภาเวนาโดยอานุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาโดยอานุภาแห่งพระสงสารชาโสทิพวรรณตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดุกเมื่อเท